ในวันนี้เป็นวันประชุมของพวกเราวันหนึ่งวันนี้ผมก็ได้ถามหมู่วกเพื่อนว่ามีกิจพระอะไรไหมหมู่วกเพื่อนว่าไม่มีอะไรผมก็ได้เรียกหมู่ประชุมกันเพระาะการประชุมกันบ่อยในหลักของ พระทรรคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราว่าอปริหารนธรรมทำทำเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเรกอปริหานียธรรมมีเจ็ดอย่างข้อแรกก็ขึ้นต้นว่ามันไปชุมกันเนืองนิดคือการอยู่ด้วยกันหลายๆองค์เป็นหมู่เป็นคณะ ที่จะเข้าใจกันเป็นเดินไปแนวแถวเดียวกันมีความคิดแบบแถวแนวแนวเดียวกันก็ต้องมีการไปชุมหารือกันต้องมีการชี้แนะชีน้นําผู้เป็นหัวหน้าก็จะต้องจะจะให้หมู่พกเพื่อนฟังเรื่องอะไรหรือว่าเห็นในการเป็นอยู่ไม่เหมาะสมอย่างไรผู้เป็นหัวหน้าก็จะต้อง ให้แนวความคิดเพื่อจะให้หมู่พวกเพื่อนเป็นไปแนวแถวเดียวกันให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบพรมเย็นเป็นสุขอันนี้ก็คือการอยู่ร่วมกันหลายองค์อยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะก็ต้องมีการประชุมหารือกันอันนี้หลักของพระพุทธศาสนาท่านว่าอภริหารนธรรมทำทำเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อม เรียกอภปริหารนี่จะทำมีเจ็ดอย่างมันประชุมกันเรืองนิดเมื่อประชุมพร้อมกันประชุมเมื่อเลิกประชุมพร้อมกันเลิกและพร้อมกันทํากิจที่สงฆ์จะพึ่งทำํำไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไปแล้วสมาทานศึกษาตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ภิกษุใดเป็นใหญ่เป็นประธานเคารพเชื่อฟังถ้อยคําของท่าน ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในความสงบตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสา ม, มเณรที่เป็นผู้มีศีลไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขอันนี้คือคาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ในครั้งกนันโนนถ้าเรานามาวิเคราะห์นำมาไตรตรองด้วยเหตุผลแล้ว บริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยหลักเหตุผลเป็นสวัคคาตธรรมจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไวแต่ถ้าว่าพวกเราขาดการประชุมกันหันหลังให้กันมีเรื่องราวเกิดขึ้นไม่มีการหารือปร ะ, ประสานสมัคีซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันก็จะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้หวาดระแวงแคลงใจกัน พอเหตุไรพาอว่าต่างองค์ก็ต่างอยู่ทีแรกก็คิดว่าไม่มีการไม่อยู่ด้วยกันต่อมาก็เมื่อไม่เข้าใจกันก็มีพักมีพวกหาเพื่อนหาฝูงหาพักหาพวกสนับสนุนคนที่สุดความแตแมกแยกสามกีกันเกิดขึ้นได้ง่ายเคนนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงมองเห็นแล้วว่าการอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการประชุมหารือกันฟังเป็นแนวแถวเดียวกัน เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เข้ามาอยู่ในสำนักของผมแห่งนี้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติอย่าไปคิดอย่างอื่นอย่างพวกเราเข้ามาศึกษาเข้ามาเพื่อปฏิบัติตามหลักพระธรรมพินยัยให้ศึกษาตามหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธทเจ้าแต่เรื่องอื่นๆเรื่องนอกๆเราไม่ควรจะเอานําเข้ามาสู่วงการสงนําเข้ามาประพฤติธปฏิบัติในวงการของพวกเรา ให้ทิ้งไว้นอกวัดเอ่สิ่งที่มันจะทะเลาะวิวาทแก่งแย่งกันอย่างนั้นอ่ะอย่าเอาเข้ามาในวงการสงฆ์เพราะพวกเราเข้ามาในคราวนี้เข้ามาเพื่อประพฤติปฏิบัติเพื่อรักษาศีลบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแต่ผมพูดทางนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าหมู่ทะเลาะวิวาทกันไม่ใช่แต่ว่าถึงยังไงก็เป็นแนวแถวที่ผมได้บอกไปแล้วว่านี่แหละการประชุมกันก็ต้อง บอกกล่าวกันแนวหายนะหรือแนวเป็นชลิมงคลแนวเจริญรุ่งเรืองในการเป็นอยู่ร่วมกันก็ต้องได้บอกกล่าวอย่างนี้ไม่ใช่วัทะเลาะกันซะก่อนที่จะเอามาพูดไม่ใช่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไว้ก่อนการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันหขอให้พวกเรามีเมตตาต่อกันให้มีน้ําจิตน้ำใจต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันให้ผู้ใหญ่ผู้น้อยคารส ตามอายุอาพุโสพันเตอย่าไปปาราศตีเสมอป ร, ราศก็ตีเสมอแต่ไม่มีผู้น้อยไม่มีผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่ถูกการที่จะพูดอะไรออกไปให้ระมัดระวังคาพูดของตอนเองคำพูดที่แรกกันเหมือนกับพูดเล่นแต่ว่าการพูดเล่นนั้นเพราะทุกคนยังมีกิเลสอยู่จิตใจยังไม่ปกติไม่ปกติคืออะไรมันยังมีขึ้นมีลง บางทีกิเลสมันขึ้นกิเลสโทสะมันขึ้นบางทีใจของเราไปยังขุนเคลืองกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ทีนี้มีหมู่องค์ที่เคยพูดยุแย่กันเล่นแตคิดว่าเคยพูดเคยทําอย่างนั้นมาก่อนก็พูดเล่นแย่กันเล่นแต่องค์นั้นมีอารมณ์บูดเพราะว่ามีเรื่องไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องทุกข์ใจ มีเรื่องโมโหโทโสอยู่ในใจแต่องค์นี้ก็ไม่ได้ดูตามาตาเรือเคยพูดยังไงก็เคยแย่กันยังไงก็เคยแย่เล่นกันนะอยางนี้ทำให้หมู่พวกเพื่อนทะเลาะกันมามากต่อมากแล้วเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่ผมพูดทางนี้ท้งนั้นการอยู่ร่วมกันให้ระมัดระวังวาจาของตนเองการกระทำของตนเองให้เคารพสรุปแล้วก็คือให้มีความเคารพ อย่าไปพูดหยอกล้อกันเล่นเพราะเราไม่ใช่ฆราวาสญาติโยมเราเป็นพระเมื่อเข้ามาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติให้สมบูรณ์แบบที่สุดไม่ให้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในใจของเราขนาดความคิดในทางที่ไม่ถูกต้องเราก็พยายามกันกรองตรวจตราดูด้วยเหตุด้วยผลให้สม่ำเสมออยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่ยากมาก เป็นเรื่องที่หยาบมากนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะให้ระมัดระวัง เ, เพราะมันเคยมีเคยมีเคยเกิดขึ้นที่ผมเป็นห่วงก็คือเรื่องอย่างนี้แหละ เ, เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านเข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติมาเพื่อบําเพ็ญมาเพื่อสั่งสมบุญกุศลอมาเพื่อดูใจของตนเองถ้าพวกเราดูใจของตนเองะถึงจะอยู่เป็นร้อยเป็นพันนะ ก็ไม่มีเรื่องมีราวจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าพวกเราส่งใจออกไปข้างนอกเนี่ยถึงจะอยู่ไม่กี่องค์แล้วก็มองเห็นคนนั้นแล้วก็เห็นคนนี้เพราะส่งจิตออกไปข้างนอกก็ทำให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้ไง่ายๆการเพ่งโทษของคนอื่นไม่เป็นผลดีขนาดเสกียวัฒที่พวกเราได้ยินได้ฟังภิกษุ ดูบาทของผู้อื่นด้วยคิดจะยกโทษเพียงแค่นั้นก็ยังปรับอบัิทุกกฎแล้วไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นใครท้าว่าคิดจะยกโทษใครท้าว่ามองดูบาทเอาทำไมพเพล้านี่ฉันอาหารมากนักทำไมเอาไว้มากนักทำไมเอาอาหารไวอย่างนี้คิดจะยกโทษเขาเพียงแค่นั้นปรับอาบัิทุกกฎเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นเรื่องของเขามันก็ไม่เห็นเสียหายอะไร อใครก็จะรู้จากก่าท้องของตัวเองกินมากน้อยยังไงแค่ไหนเป็นเรื่องของเขาทําไมเราเออจึงไปเพ่งโทษโผนธนาเขาไปดูบาตของผู้อื่นด้วยคิดจะยกโทษเพียงแค่เพียงเท่านี้อพระพุทธเจ้าก็ปรับอบัติทุกกฎแล้วเพราะฉะนั้นการทีเ่เราจะไปมองคนในแง่ร้ายี่มองหมู่มองเพื่อนนะมองครูบาอาจารย์มองหมู่มองเพื่อนในแง่ร้ายมันไม่เป็นพ้นดี มันเป็นสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวผู้คิดไม่ดีเองอประเด็นพวกเราให้ระมัดระวังในการคิดและแนวความคิดของตนเองอันนี้ก็คือผมกล่าวมาทั้งหมดนั่นก็คือศีลสรุปแล้วก็คือเป็นคนดีเป็นพระที่ดีเป็นคนที่ดีในหลักของพระพุทธศาสนาเรียกว่าสัพพบุรุตทำตัวอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ว่า สัพพะปุลุตเนี่ยผู้ที่จะเป็นคนดีนั้นเพราะพระ大爷เจ้ า, จาท่านบอกว่าเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อจริงสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวไม่เชื่อสิ่งที่ไม่อยู่ใ น, ในเหตุและผลเชื่อในกรอบของเหตุและผล ถ้าว่าเราทำไม่ดีแล้วมันจะจะเป็นผลดีได้อย่างไรถ้าว่าเราไปช่วยตนเองพระเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้อดี๋ยวงั้นที่เขาเห็นเขียนในเป็นคาพังเพยขึ้นมาเขาบอกว่าถ้าเราไม่ช่วยเราก่อนพระเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้เพราะนั้นสรุปแล้วก็คือเราต้องเชื่อ เื่อการกระทำของเราก่อนเราทำดีได้ดีเราทำชั่วได้ชัว่วถามว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วผลออกมาเป็นผลดีได้อย่างไรเพราะนั้นหลักของพระศาสนาไม่ใช่เชื่อด่ะไปหมดไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่ออันนี้ก็คือสัพพะผ อ, อบุรุษเป็นคนดีในหลักของพระศาสนาคืออยู่ในพระเนต ประการของพระพุทธเจ้าว่าไงจ๊ะพระพุทธเจ้าท่าน่าบุรุษที่เป็นคนดีนั้นเป็นบุคคลเช่นไรอะพระพุทธเจ้าท่านท่านเครื่อสนสรรออกมาบุคคลที่จะเป็นคนดีนั้นเป็นบุคคลเช่นไระพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อที่มีหิริคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาป เป็นคนได้ศึกษาได้เรียนได้ศึกษามามากเป็นคนมีความเพียรคือมีความเพียรมีความพยายามในสิ่งที่ถูกต้องเป็นคนมีสติมั่นคงคือไม่เป็นบ้าเป็นบอว่างั้นเถอะสติเลื่อนลอยเนี่ยถ้าคนไม่มีสติสติไม่มั่นคงแล้วคิดเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยเป็นคน สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นยังไงและก็เป็นคนมีปัญญาเนี่ยปัญญาคือความรอบครอบในที่ทุกสถานเราเป็นพระเราควรทำตัวอย่างไรงเมื่อเราเป็นครว่าตเราควรทำตัวอย่างไรเราไปอยู่ณนะสถานที่ใดถินด่นใดการเป็นอยู่มันไม่เหมือนกันในเมื่อเราเป็นไปอยู่ในที่การงานเราควรทำตัวอย่างไรในเมื่อเราอยู่ในฐานะหัวหน้า งานเราควรจะอ่านงานอย่างไรอันนี้ก็คือให้ใช้ปัญญาทั้งหมดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าเสัตว์ปรุษเนี่ยควรประพฤติตนอย่างไรหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อสองให้มีฮิลิความละอายแก่ใจจะทําสิ่งจะทํากล้มไหนชั่วเราก็มีฮิลิคือความละอายถ้าเราทําไปแล้วมันเป็นไม่เป็นผลดี มันจะมีสิ่งที่สะท้อนย้อนกลับมาหาตัวของเราในหลักโอวาทปฏิโมอกอักตังทุกตังเสโยปัชชาตปฏิุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นจ้องเผาผัานเมื่อภายหลังคือถ้าเมื่อเราทำกรรมไปแล้วกรรมชั่วนั้นจะตามมาเมื่อภายหลังอันนี้เรียกว่าให้มีฮิริคือความละอายอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ดี อตปะคือความกลัวต่อบาปเราจะไปทำในสิ่งที่มันจะเป็นบาปกรรมที่จะตามกลับมาหาตนเองเข้ามาสู่จิตใจของตนเองจากนั้นก็เป็นผู้มีผู้ร่รับการศึกษาดีค่ายๆกับว่าไม่อยู่เฉยๆฝ่ในการศึกษาจะทำยังไงจึงจะมีความรู้ความฉลาดความสามารถเราต้องอ่านจะต้องฟังเทปอ่านหนังสือ ศึกษาจากครูบาอาจารย์ไต่ตรองไต่าถามจากครูบาอาจารย์จากท่านผู้รู้อันนี้เรียกว่าใฝ่ในการศึกษาจากนั้นก็เป็นผู้มีความเพียรคือมีความเพียรมีความพยายามแล้วก็ให้มีสติมั่นคงแล้วก็ให้เป็นคนมีปัญญาเนี่แหละแต่ที่ท่านพูดออกไปว่าท่านว่า เมื่อจบตัวนี้แล้วจะปรึกษาเรื่องอะไรกับใครจะเป็นเรื่องการเรื่องงานจะเรื่องเรื่องแนวความคิดเรื่องอะไรก็ตามจะไม่ปรึกษาเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นอะใครเข้าไม่เบียดเบียนตนด้วยไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยเพราะว่าที่จะปรึกษาสิงใดกับใครๆก็ตามจะไม่ปรึกษาเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะเค็ดสิ่งใด ก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะทำสิ่งใดก็ไม่ทำเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะพูดสิ่งใดก็จะไม่พูดให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นอันนี้แหละนีะสัต์บุรุษแล้วก็เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเราทำดีผลกรรมดีจะต้องเข้ามาหาเรา ถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะต้องมาหาเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วข้อสุดท้ายท่านบอกให้มีจาคะต้องเป็นผู้เสียสละสัตวร์ระหต้องเป็นผู้เสียสละต้องเสียสละความสุขให้แก่ผู้อื่นต้องมองให้รอบด้านทั้งเบื้องสูงเบื้องล่างเบื้อ ง, ง, ง, ง, งกลางเบื้องต่ำว่าการเป็นอยู่ร่วมกันเป็นยังไงหมู่พวกเพื่อนอยู่ใกล้ไกล ที่มองเห็นกันอยู่มีความทุกข์ลำบากอย่างไรอันนี้แหละสัจบุรุษต้องมองให้รอบและก็เสียสละความสุขของตนเองให้แก่ผู้ที่ด้อยกว่าทุกกว่าเราให้เขามีความสบายขึ้นะนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่นำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามานำมาใช้นำมาประพฤติธปฏิบัต แล้วชีวิตของพวกเราจะเป็นไปได้วยความราบรื่นสวยงามเมื่อใครได้พบได้เห็นได้เจอเข้าไปนักสถานที่ใดไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดใครกับใครทั้งหมดมีแต่เป็นคุณกับผู้ใดพบได้เห็นผู้ที่อยู่ใกล้เพราะนั้นทําที่พระพบุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติเอาไว้เมื่อสองพันกว่าปี ถ้าว่าพวกเรานำมาพูดหรือนำมาไกล่กันกลองมาเล่าสู่กันฟังหรือมาทบทวนมาวิเคราะห์กัรล้วนแล้วแต่มีหลักเหตุผลอยู่ในนั้นเสร็จตั้งแต่เบื้องต้นถ้าคนเชื่อสเปสศป ะ, ะ, ปะเชื่อไปหมด เ, เห็นอะไรก็ยกมือไหว้ไปหมดปากทูบ ป, ปากเทียนขออะไรไปหมดอย่างที่พวกเราเห็นฟังเห็นเห็นดูแล้วก็มันยังไง เชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อนะและการฮิลิโอตปะละ่ะการอยู่ร่วมกันหรือว่ากฎหมายบ้านเมืองถ้าไม่มีฮิลิโอตปะความสงบร่มเย็นเป็นจุกจะมีไหมผมมั่นใจว่าไม่มีแน่ถ้าว่าพวกเราคนในชาติไม่มีฮิลิโอตปะนั่ น, นะหอจากนั้นก็ผู้ที่ไม่ได้ไม่ได้ฝ่าการศึกษาไม่ได้ศึกษาที่ดี ไม่ได้รับการศึกษาที่ดีจะเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงโง่เง่ า, งาเตาตุนไปหมดคนในชาติแล้วคนไม่มีความเพียรเป็นยังไงงอมืองอเท้าขี้เกียจไม่มีความมันขยันอดทนเลยไม่มีความเพียรเลยก็ไม่เป็นผลดีแล้วก็คนไม่มีสติมั่นคงละ่สะสติฟัน่นเฟือนพูดจะหนึ่งไปทาอย่างพูดจะหนึ่งไปทำอีกแบบหนึ่ง ถ้าขาดมากๆก็แลว้วบอคนเป็นบ้าถ้าคนเป็นบ้าปแล้วจะเป็นคนดีได้อย่างไรบาปปากบ า, บ า, บาน้อยขนาดไหนอีกต่างหากทค่นี้นะและก็เป็นคนมีปัญญาเพาว่าปัญญาตัวนี้เสียบแหลมขนาดไหนอ่านทุ ป, ปูโปงขนาดไหนการเป็นอยู่เมื่อเป็นหัวหน้าเมื่อเป็นลูกน้องเมื่อทำการทำงานแต่และปิชาอาชีพความสามารถการใช้สติปัญญาแตกต่างกันถ้าเรา ทำงานเกี่ยวกับทําไร่ทํานาเราก็ไม่ได้ใช้สติปัญญาอะไรมากทํารัว้วทําสวนก็ไม่ได้คิดอะไรไมิแต่ว่าอ่านให้ออกว่าปีนี้เราจะขายได้ไหมเป็นยังไงเราจะลงพืชตัวไหนอันนี้ก็คือใช้ปัญญาทุกแห่งทุกหนทุกวิชาอาชีพแต่ที่ใช้มากๆกันนู่นอ่ะเอที่ละเอียดขึ้นไปเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์อเครื่องบินโทรทัศน์วิทยุ คอมพิวเตอร์อันนั้นต้องใช้สติปัญญาเข้าไปเรื่อยๆสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ว่าปัญญาปัญญานี้ใช้ในที่ทุกสถานในที่ทุกสถานต้องได้ใช้ปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาไม่ใช้ปัญญาทำอะไรแบบไม่คิดไม่อ่านดูแล้วไม่สวยงามออกมาผลงานออกมาก็ไม่เป็นที่ พอใจของชุมชนและสังคมนี่นแหละท่านท่านยังมาพูดเลยว่าจะปรึกษาอะไรกับใครๆก็ไม่ปรึกษาเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้มีน้ําใจแต่ให้มีคุณธรรมในใจถ้าคนไม่มีคุณธรรมในใจและกันน่นปรึกษาเรื่องอะไรก็มีแต่เรื่องจะเอารัดเอาเปรียบเขาเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแต่ธรรมของพระเจ้าไม่ ถึงจะเบียดปรึกษาพระรกับใครก็จะไม่ปรึกษาปารกเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นตลอดถึงคิดพูดทํำเพราะว่าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมคือการกระทําำแล้วก็เป็นผู้เสียสละอีกนี่แหละทำสัตว์ประหลุกเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเป็นพระอฆราวาสญาติยาโยมก็จําเป็นที่จะต้องทำํำจะต้องนํามาใช้ถ้าเป็นพระยิ่งทวีคูณขึ้นอีกเท่าตัว สมควรอย่างยิ่งพระจะต้องมีธรรมะเหล่านี้เหนือกว่าฆราวาสไปอีกถ้าว่าพระเราเป็นพระอยู่วงในแล้วยังขาดธรรมเหล่านี้ด้อยกว่าฆราวาสแล้วแปลว่าของเราเ อ, อธรรมะหรือว่าการเป็นอยู่ของเราต้องต่ํามากเพราะนั้นเราเป็นพระต้องเหนือกว่าในเมื่อเป็นฆราวาสเขาพระพุทธเจ้ายังว่าสมควรให้มีธรรม เออเหล่านั้นดูนประจำใจถ้าเราเป็นพระก็ยิ่งสมควรอย่างยิ่งจะต้องให้มีธรรมเหล่านั้นประจำใจ ย, ยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าเท่าตัว่นั้นหลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านอันนี้ก็คือการคิดให้ใช้ปัญญาในการเป็นอยู่ทั้งเราจะอยู่ในสถานะไหนเมื่อเราเป็นพระเราก็ให้รอบคอบในการเป็นอยู่ของพระ ในเมื่อเราออกไปสู่คราวาตเราก็ให้คิดรอบขอบในการเป็นอยู่ในคราวาตัตเราเป็นคราวาตเราควรทำตัวอย่างไรมันขยันอดทนอย่างไรเก็บของพร้อมรีบอย่างไรเป็นอยู่รอบด้านพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเกี่ยวข้องกับผู้คนทำตัวอย่างไรนี่แหละสรุปแล้วที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงเดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องของศีล คือการเป็นอยู่การเป็นอยู่กายวาจาสัมรวมกายวาจาให้เรียบร้อยถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติหรือทำตนอย่างนั้นได้ชีวิตของเราก็จะราบรื่นในชุมชนและสังคมต่อโลกไปอยู่นักสถานที่ใดถ้าเราใช้ปัญญาใช้ความคิดอย่างนั้นมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครๆทั้งหมด เพราใจของเราเป็นทับการว่าใจของเราออกนอกลูกนอกทางเนือจากนั้นไปอันนั้นแหละความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านอันนี้ก็คือการอู่ร่วมกันภายนอกส่วนเครื่องภายในสิการภายในของเราก็จะให้ขาดตกปกพ้องเมื่อเราฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ละวันก็ให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง24ชั่วโมงเราถูกแบ่งเวลาอย่างไร เราเคยแบ่งเวลาของเราไหมจากตอนเช้าตีห้ามามาถึงเวลาเท่าไหร่อันนั้นคือเวลาที่เราจะต้องให้หมูให้เพื่อนให้วัดวาศาสนาถ้านอกจากนั้นไปกี่ชั่วโมงเราให้เวลาแก่ตัวเองทําอะไรและอีกเวลาไหนให้เราให้เวลาแก่ร่างกายของเรามาฉันนองฉันน้ําเราให้เวลาเท่าไหร่เราจะให้จิตจวัต พ่อวัดประจําวันของเราการทํางานร่วมกันเพื่อความพร้อมเพียงสามัคคีของหมู่ของคณะเมื่อทําเสร็จแล้วเราให้เวลาเราอย่างไรที่แยกตัวออกไปแล้วก็ไปนั่งภาวนาและไปปฏิบัติเดินจงกลมแล้วกลางคืนเราให้เวลาเราอย่างไรจนถึงเวลาพักผ่อนสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทดลองทบทวนรู้ว่า แต่ละวันแต่ละเวลาเราแบ่งเวลาอย่างไรไม่ใช่ว่าวันไหนก็วันเก่าไม่มีอะไรกอหุ่น ง, งานไม่มีทางออกอคุยกันบั่ง อ, ออกมาสนทนากันบั่งนั่ง อ, องนั้นคุยองนี้ไปเรื่อยอย่างนั้นอันนั้นแปลว่าเรื่อยเปื่อยไม่มีขอบไม่มีเขตเถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่ผู้มาศึกษา ถ้ามาศึกษาแล้วก็ต้องอย่างที่ผมว่าต้องแบ่งเวลาให้เป็นสัดส่วนแต่ละวันเราจะคบค้าสมาคมกับใครอย่างไรที่ไหนแบ่งเวลาให้ถูกต้องจากนั้นกอปฏิบัติตนให้เคร่งครัดเมื่อได้ตกลงกับตัวเองแล้วนี่แหละอยากจะให้หมูพวกเพื่อนบำเพ็ญภาวนาจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญ อย่างอื่นผมก็ไม่ว่าที่จะทําเพื่อชุมชนและสังคมเพื่อวัดวาศาสนาอฝากฝีมือเอาไว้ฝากผลงานเอาไว้อันนี้ก็เป็นผลดีเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหละแต่ว่าในเมื่อเราไม่ได้ทําอะไรเราปล่อยเวลาว่างให้ว่างจนเกินไปจนคนอื่นเขาเห็นเข้ามาวัดวาศาสนามองเห็นผ้าและนั่ง เ, เด่นเด่นดันๆนั่งคุยกันอจับคุ้มนั่งเออทั้งนอนทั้งนั่งคุยกัน ถ้าเขาเห็นแล้วเขาก็คงจะโอ้เอาข้าวมาให้พระเหล่านี้ฉันคงจะเสียข้าวเออน่าเสียดายข้าวของเราที่มาแล้วไม่ได้ภาวนาอะไรทําให้เวลาว่างเปล่าอย่างนี้สิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดถ้าเราเป็นฆราวาสเรามาเห็นเราอย่างกระทําของเราเราคิดยังไงเราต้องคิดเพราะฉะนั้นให้พวกเราคิดใจเขาใจเรามันเหมือนกัน ถ้าเราเป็นคราวาสมามาเห็นพระอย่างเราก็ทำเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าว่าเรากระทำอย่างนี้เมื่อเขาเป็นคราวาสญยติโยมเขามาเห็นเขามีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละให้พวกเราทบทวนในการเป็นอยู่อย่าให้มันดูแล้วไม่สวยงามบาดหูบาดตาแก่ผูใ้ใดมาพบมาเห็นสรุปแล้วก็คือไม่อยู่ในศีลาจารวัตไม่อยู่ในหลักธรรมวินยัย มาอยู่ในกรอบสําหรับผมเองผมก็มีแต่ให้การแนะนําสั่งสอนเท่านั้นเองเดี๋ยวจะให้ดุด่าว่ากล่าวทุกกระเบียดนิ้วก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้ว่าพวกหมู่พวกเพื่อนมีธุระการงานยังไงเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงแต่ถ้าว่าผมเห็นแล้วก็เอมีตะบอกตะกล่าวอพวกท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นผมเป็น ผู้อริผู้ศัตรูเป็นยักษ์เป็นโขไปเออพอเห็นอาจารย์มาแล้วก็นั่นน่ะเออผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้น อ, อ, อยากจะให้พวกท่านทั้งหลายผู้เข้ามาศึกษาให้สำนึกออได้จิตในใจที่ได้พูดกันแล้วตกลงกันแล้วฟังกันแล้วรู้แล้วไปที่เข้าใจกันแล้วก็ปฏิบัติตามที่เหตุผลลงจุดนั้นออผมอยากจะให้เป็นอย่างนั้น ในการเป็นอยู่ของพวกเรานะในเมื่อพวกเราเข้าไปจำที่ตามลำพังแล้วสติสัมปชัญญะอันนี้คื อ, คอพ่อแม่กูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้บังคับให้บังคับใจของตัวเองให้อยู่กับสมาธิฟังแต่ว่าบังคับไม่ใช่ทําแบบลอยๆทาไม่มีกฎมีเกณฑ์ ท ำ, isz, ทำแบบหล่อหล่แหล่แหล่ทำแบบไม่จริงไม jobs, ans, yeah. AUDIBLE, ogle, ่จังไม่ใช่อย่างนั้นคขาบอกบังคับก็บังคับก็คือเอาจริงเอาจังบังคับให้อยู่เหมือนกับเราบังคับวัวควายให้ทํางานอย่างนั้น่ะอเราบังคับเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันเราบังคับใจของเราก็คือให้มีสติคือเชือก่อสติสัมปชัญญะนี่คือเชือกมัดที่ไหนมันไว้มัดแข้งมัดขามัดค้อมันไว้อย่างนั้นเ่ะ แต่เป็นช้างก็มัดขามันไว้แะเป็นวัวควายก็มัดคอมันไว้มัดจมูกมันไว้เนตสติสัมปชัญญะเนี่ยคือเอาสติจับที่ใจไม่ให้ใจปรุงฟุ้งคิดออกไปทางอื่นให้มีสติอยู่กับแล้วเราก็หาหลักให้มันยึบอีกหลักนี่นคืออะไรก็คือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือวิธีเดินเดินยังไงขาขวาพุทธขาซ้ายโถ บังคับให้เดินวเวลายืนก็ยืนพิงเส า, แ ล, าแล้วพิงฝาเราขอบริกรรมพุทโธพุทโธหลับตาเพราะการภาวนานี้ไม่ใช่ว่าเราจะเดินหลนั่งอย่างเดียวอริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนนอนก็ได้ถ้านอนไม่หลับจะเว้นเขียตนอนหลับถ้านอนโดยมากมันหลับพวกท่านท่านไม่ส่งเสริมแล้วว่าไม่แนะนำ ในการนอนภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระหนุ่มพอหลังจดพื้นก็นอนก็หลับแล้วเพราะนั้นท่านจึงไม่ให้นอนมีแต่ยืนกับเดินกับนั่งหลังจากนั้นก็อดอาหารการอดอาหารคล้ายๆก็มีส่วนช่วยได้มากเพราะอาหารไม่มีอยู่ในท้องความง่วงเหงาห้านอนก็จะลดลงแต่ถ้าว่าพวกเราไม่อดอาหารทานอาหารตามอัธยาศัยเต็มที่ ความโงกง่วงของเรามากแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาต้องศึกษาทุกรูปแบบต้องศึกษาทุกด้านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปประพฤติธปฏิบัติดูเป็นอย่างไรที่ได้ศึกษาได้ฟังไปแล้วผมเองมีแต่เป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกกล่าวเท่านั้นเองผมจะไม่พานําทุกกระเบียดนิ้วไม่ใช่อย่างนั้น แปลว่าเป็นครูบาจารนยะ์เป็นผู้แนะนำผมได้รับผลยัางไงมาได้รับทุกโทษอย่างไรมาผมก็มาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนต่อและว็ อ, อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ น, นำไปทดสอบนำไปทดลองดูอย่างที่พระพุทธเจ้าผมก็ไม่ได้อยากจะเปรียบเทียบพระพุทธเจ้ากับผมอะไรหรอกแต่ว่าเนื้อหาสาระนั้น เป็นลักษณะอย่างนั้นนียอย่างพ ร, ระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกับภาษาเรบุตรอาษาเิบุตรเธอเชื่อไหมที่เราตาคตพูดให้ท่านฟังภาษาเิบุตรว่าไม่เชื่อยังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะเพราะว่าข้าพระองค์ยังไม่ได้นํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพราะนั้นข้าพระองค์ยังไม่เชื่อจนกว่าข้าพระองค์จะได้นํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธองค์รรงไปปฏิบัติเมื่อไหร่ได้รับผลแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์จะ กราบเรียนหลือว่าจอมรับพอเดี๋ยวนี้ยังยังไม่ได้นําไปปฏิบัติพระเจ้าค่ะนั่นอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อกูบาอาจารย์เมื่อได้ยินเทปได้ยินหนังสือที่พ่อแม่กูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเรื่องภาคปฏิบัติพวกเราก็อย่าไปเชื่ออย่าพิ่งเชื่อแต่ให้พวกเราไม่ใช่เชื่อเฉยๆปล่อยวางทิ้งเฉยๆไม่ใช่อันนั้นก็โง่อีกแบบหนึ่งอีกในเมื่อเราได้ยินใน้ฟังแล้วก็นําที่สิ่งที่ได้ยินในฝฟังนั้นนํามาประพฤติปฏิบัติ เอาจริงจังอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแล้วผลออกมาอย่างไรอนั่นแหละโอปฏิบัติดูแล้วไม่ได้เลือกเอาจริงเอาจังขนาดนี้แล้วยังไม่เป็นอย่างนี้เราก็ต้องฟังหูวไว้หูอีกเอ้อาจจะไม่ถูกกับจริตของเราหรือเปล่ า, เ, าเพราะในครั้งพบพระพุทธเจ้าก็มีม า, มามากต่อมากที่พวกเรายังไม่ได้ยังไม่รู้ยังไม่ได้ศึกษาแต่ผมได้อ่านไปดูดูแล้ว มีหลายเล่เหลี่ยมเหลือเกินของกิเลสผู้ปฏิบัติธรรมบางองค์อย่างที่ภา ษ, ษาริบุท่านลูกศิษย์ของท่านเป็นลูกของนายช่างทองนายช่างทองลูกนายช่างทองติดภพติดชาติมากี่เป็นตั้งสี่ห้าร้อยชาติเกิดมาชาติไหนก็เป็นนายช่างทองแต่พอมาคราวนี้ก็มาเป็นนายช่างทองก็เข้ามาบวช เริ่มใสในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีอุปนิสัยพอเข้ามาบวชแล้วภาษาบวชก็สอนอสุภะคือให้พิจารณาถึงความตายให้พิจารณาถึงอสุภะร่างกายเนี่ยมันเป็นอสุภะนะมีขี้หูขี้จมูกขี้ลิ้นขี้ไข่กุจระปัจจวะมันหลั่งไหลออกมาจากทวารทั้งเก้านี่แหละร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยอสุภะปฏิกูล ไม่ใช่ของสวยงามนะถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วเอคิดดูให้ดีไต่ตรองดูให้ดีไปไปภาวนากำหนดดูนะถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วใจก็จะเกิดความถ้าเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราก็จะเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางจิตใจก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสถ้าเราพิจารณาอยู่ดังนี้โดยรอบครอบด้วยปัญญา พระ อ, องนั้นท่าก็ไปพิจารณาพอพิจารณาเท่าไร่จิตมันก็ไม่สงบเพราะมันไม่เข้ากันเ อ, อเข้ามาให้กรรมฐานยิ่งกว่านั้นอกีกถึงครั้งที่สองครั้งที่สามพระลูกศิษย์ก็ยังปฏิบัติอย่างไม่ไปไม่มาจากนั้นก็เข้ามากราบพระอาจารย์อกีกพระอุปชยัย์อีกภาษารีบบุตรคือทำไมเราก็ให้กรรมฐานอย่างสุดๆเลยนะ องค์อื่นเขาเขาก็ไม่ให้ถึงขนาดนี้เขายังได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแต่ลูกศิษย์เราคนนี้ทําไหมคงจะเป็นวิสัยของพุทธะเจลามัง้งคงจะไม่ใช่วิสัยของเราที่จะสอนกำมังนลยท่านก็พาลูกศิษย์คนนั้นเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพราะพระพุทธเจ้ากราบทูพทนนลพ ร, ระองค์ว่านี่ลูกศิษย์ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ให้กรรมาฐานพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้เขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความเย็นใจ เขาไม่ได้รับความสุขทางใจพราะนั้นข้าพระองค์จึงได้นาเขามากราบพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าสาลีบุตรพระองค์นี้ไม่ใช่วิสัยของเธอเป็นวิสัยของพุทธะอย่างเราตถาคตจะเป็นผู้สอนจะเป็นผู้แนะนําเองไปเถอะนะไปท่านไปได้เดี๋ยวเราจะแนะนำเราจะสอนเองเขาจะได้เป็นพระหันในเย็นวันนี้ฮพระพุทธเจ้าท่าน รูถึงขนาดนั้นแ่ะจากนั้นภาษาลิบุก็กล่าวลาพระพุทธองค์ลงไปมีแต่พระองค์นั้นอยู่กับพระพุทธองค์ พ, พระพุทธองค์ก็บอกว่าเป็นไงเธอภาวนาเอาเอาดอกบัวนี่นะหรือท่านดอกดอกบัวนิลมิตเป็นั้นะเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์เลยบัดนะท่านกบข้าเอาดอกบัวที่หลังของท่านเน่ยที่ท่านวางไว้ดอกบัวทองคําำที่วางไว้เอาท่านเอาไปปักในที่สงัดนะ ไปปักทางหลังวัดก็ได้ที่คนไม่พุกพ่านที่คนไม่พุกพ่านวุ่นวายในที่ร่มเหน่ร่มไม้จากหน้ากกวาดกองสายขึ้นเป็นกองขึ้นมาท่านก็ปักดอกบัวลงไปเมื่อปักลงไปท่านใครนั่งเพ่งดูนะแต่พระองค์นั้นเห็นเะถ้าท่านเป็นนายช่างทองมาก่อนใจของท่านโหพอได้เห็นดอกบัวเท่านั้นน่ะมัน กี่อะยศจอยไปหมดเพราะงั้นเลยเออบัวทองคําโอ้โหทาไมสวยขนาดนี้จิตของเขานั้นเข้าไปสู่ความความสวยงามเพราะฉะนั้นที่ท่านให้พิจารณาหรือภาวนาอาสุภาษนะั้นมันไม่เข้ากันเพราะว่าภาษาลิบุตรให้เห็นอสุภาษคือของไม่สวยงามแต่ใ น, นพระพุทธ เ, เจ้าเอาสวยงามเพื่อจะหักล้างความความสวยงามแบบนั้นความสวยงามหักล้างความสวยงาม จากนั้นพุทธองค์ก็เอาดอกบัวนี่ให้พระเอานั่นก็ไปหาที่สงบสงัดที่คนไม่พุกผ่านไป ก, กวาดขี้ทรายขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปปักดอกบัวลงไปบนกองทรายจากนั้นก็ น, นั่งคัดสมามณีตาจ้อง เ, อเพราะเห็นดอกบัวสวยเหลือเกินอีกสักพักใหญ่ๆเข้ามาอาท่านก็ดูจิตไม่ไปที่ไหนเลยเพางั้นะจิตนิ่งจดจ่ออยู่กับดอกบัวนั้น อีกสักพักใหญ่ดอกบัวก็เศร้าหมองลงเลยเรื่อยเพราะดอกบัวดดอกบัวลิศเนี่ย เ, เพราะอิทธิฤทธิ์พระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์เนี่ยท่านอยากจะให้พระองค์นั้นเห็นของไม่เที่ยงเห็นอนิจจังจากนั้นดอกบัวก็เศร้าหมองเศร้าหมองลงเศร้าหมองลงในที่สุดเป็นเศร้าหมองดําปี๋เลยทีนี้คล้ายๆกับโอ้โหดอกบัวตัวเนี้ยที่ได้รับมาจากพระหัตพระพุทธเจ้าแถวพราว ย้อยไปหมดแต่บัดนี้ดอกบัวนี้กับเศร้าหมองเป็นอเนกจังท่านก็ย้อนมาหาตัวของท่านอีกคนเราก็เหมือนกันพอเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดูแล้วก็ผูดผัดเสร็จสวยงดงามพอเท่าแก่ชรามากันหนังเหี่ยวฟันหลุดผมหงอกตาฝ้าฟางหูหนวก ห, หูตึงเข้าไปอ้ออันนี้ก็คงจะลักษณะอย่างนั้น แากนั้นก็พิจารณาถึงใจของท่านอีกตัวหนึ่งใจของเราก็เหมือนกันแตะก่อนก็คิดคึกค้องในสิ่งต่างๆ่างแต่ต่อไปผลที่สุดก็เนี่แหละมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งหมดเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเป็นอเนจังของไม่เที่ยงเห็นอเนจังของไม่เที่ยงทั้งข้างนอกเห็นอเนจังของไม่เที่ยงทั้งร่างกายเห็นอเนจังไม่เที่ยงทั้งจิตใจ ท่านเห็นอนนีจังคือของไม่เที่ยงคือเห็นไตรลักษณ์นี่อันิจ้จังทุกขังอนัตตาสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละท่านวางพิจารณาเห็นไตรลักษณ์จิตใจของท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นพระอระหันต์ในขณะที่นั่งอยู่ในนั้นนี่แหละสรุปแล้วก็คือการปฏิบัติธรรม มีลากหลายและมีหลายอย่างสรุปแล้วก็คือให้จิตรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ผมได้พูดได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนภาวนาบังคับจิตใจของตนเองให้เข้าสู่ความสงบให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ให้เห็นร่างกายตัวเองให้เห็นความตายของตนเองส่วนเราจะพิจารณาอย่างอื่นต่อไปนั้นถ้าเราพิจารณาดูแล้วยึดตัวนี้ดูแล้วมันเป็นอย่างไรถ้าว่าจิตใจมันไม่ถูกกับจริตเรายังค่อยถอยออกไปไปพิจารณาตัวอื่นแต่อย่าไปจับจดวันนี้พิจารณาอย่างนี้พอม า, มาลมา์กแลพุทโทสองสามครั้งนู่นว่าเอาพุทธธรรมโม พอณว่าเอาทำโมเสร็จแล้วนู่นไปกําหนดลมหายใจเข้าออกอพอกําหนดลมหายใจออกนู่นไปกําหนดจิตอพอกำหนดจิตเอ้าวไ ป, ไปพิจารณากระดูกวันทึ้งไม่รู้ว่ากี่กรรมาฐานอันนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้จับจดเพราะฉะนั้นพวกเราทุกตุกท่านนะจะยึดกรรมาฐานไหนเป็นหลักก็คือให้ยึดกรรมาฐานนั้นให้ณให้หนักแน่นกําหนดลมหายใจเข้าหายจออกพยายามให้หนักแน่นจะกําหนด ดูร่างกระดูกท้นตัวเองพอพอนั่งเข้าไปก็หนดดูกระโหลกศีรษะอกระโหลกกระดูกของเรามีกี่ชิ้นมีกี่อันในร่างกายของเราเราก็พยายามดูให้ชัดเจนให้เห็นชัดตามความเป็นจริงนั้นๆนี่แหละการพิจารณาให้ปฏิบัติอย่างนั้นผมว่าถ้าเราทําให้ถูกที่ถูกทางความสงบในจิตในใจของพวกเรา จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าพวกเราทำเย่อหยแย่ละละละละแหละมิจะปล่อยจิตปล่อยใจออกไปข้างนอกมีจะพูดจะคุยกันมันออกพูดคุยกันไม่ใช่อื่นกันคือตัวกิเลสพอพูดเข้าไปแล้วก็นัน่นอะ่ะพอไปนั่งภาว น, นากับหมูพูดเรื่องอะไรอถ้าพูดเรื่องไปเที่ยวไปเตะ ไ, ไปสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาอย่างเนี้ยใจของเราก็ออกลอยออกไปตามข้างนอกเหมือนกัน มันจะไม่เข้าสู่ความสงบเพราะนั้นการศึกษาเรื่องการเข้ามาปฏิบัติเนี่ยผมอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงพอสมควรว่างั้นเถอะคือยากจะให้พยายามทำจิตให้สงบให้ได้จะไม่เสียเที่ยวเสียทีที่พวกเราได้เข้ามาศึกษานะ ส่วนกิจธุรภาระอย่างอื่นพวกหมูเพื่อนไม่ต้องห่วงก็อย่างที่ผ่านผ่า น, านมานเดือนเสรศษๆนี่แหละการเป็นอยู่การอยู่การฉันผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาผมก็พยายามดูการเป็นอยู่ของหมูพวกเพื่อนหรือพวกเราไม่สบายใจยังไงมีปัญหาอะไรผมก็ยินดีเอเพราะอว่าผมเป็นหัวหน้าวัดยินดีรับฟังความไม่สบายของหมู่ของเพื่อนอยู่ตลอดเว้นเสียแต่เรื่องกิเลส ในจิตในใจของพวกท่านคนระับผมก็ไม่รู้จะช่วยพวกท่านได้อย่างไรมีแต่แนะนำเท่านนะั้นอ่ะอดนอนนะผอนอาหารนะใช้ตินะใช้ความบังคับนะผมก็มีแต่บอกแค่นั้นแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายกินตามอาเภอใจนอนตามอาเภอใจพูดคุยกันตามอาเภอใจปล่อยจิตปล่อยใจแล้วก็จะมาทวงว่าผมไม่ได้รับความสงบจิตใจของผมเดือดร้อนใจของผมร้อนมากใจของผมทุกมากผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับหมู่กับเพื่อนเหมือนกัน เพราะ่าผมแนะนำแล้ววิธีการจะทำอย่างไรนี่เราขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกๆองนะที่เข้ามาศึกษาเนี่ยผมมีเจตนามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างจริงจังจริงใจเนี่ยอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนมีความสงบร่มเย็นเป็นถุกทาง จ, จิตใจทําพวกท่านทำดีประพุติปฏิบัติดีแล้วพวกท่านทลายก็จะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาสืบไปนานเท่านาน เพราะนั้นผมก็สืบมาถึงจุดนี้พวกท่านทั้งหลายคงจะสืบต่อไปอีกเพราะพุทธศาสนาก็จะเป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อพวกเราท่านทั้งหลายต่อคนในชาติบ้านเมืองนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้พูดแนวความคิดลากหลายให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายตั้งแต่เริ่มต้นกล่าวถึงอภรรษานี่จะทำทําเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญ เบื้องต้นว่ามันประชุมกันจนถึงว่าข้อสุดท้ายว่าภิกษุสำมเนินที่ไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขอันนี้ว่าอภริหานิยธรรมทำเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญไม่เป็นไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมออมีจุเจ็ดประการจากนั้นก็สัตย์รุษทำตัวอย่างไร ในพระเนตรพระกันของพระพุทธเจ้าที่ท่านมองให้พวกเราเป็นสัตว์ตำรุษนั่นคืออะไรศรัทธาเชื่อถิงทุกวนเชื่อให้มีฮิริโอตตะปะเป็นผู้คงแก่เรียนให้เป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาให้เป็นผู้มีความเพียรให้เป็นผู้มีสติมั่นคงให้เป็นผู้มีปัญญาจะปรึกษาเรื่องกิจการงานใดๆก็ตามไม่ปรึกษาเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น คิดสิ่งใดไม่คิดเบียดเบียนตนและผู้อื่นพูดสิ่งใดไม่พูดเบียดเบียนผู้อื่นทําสิ่งใดไม่ทําเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นเชื่อในกลัมคือผลของกลัมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแล้วก็เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางเสียสละคือฐานะให้วิทยาทานบางังให้ความรู้เก็บความฉลาดบางังแนะนําสั่งสอนคู่คนให้อาหารการบริโภคเขาขาดเหลือขาดตกอะไรคนมีปัญญาต้องมองต้องรู้ว่า สุมชนและสังคมเขาต้องการอะไรเราพอจะช่วยเหลือเขาได้ไหมมากน้อยอย่างไรแค่ไหนคือไ ม, ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นงนั้นถ้ามาเบียดเบียนตนก็ไม่ดีจะให้เขาเั้งหมดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่จะไม่ให้เฉลยก็ไม่ถูกอันนี้สิ่งเหล่านี้ก็ผมได้พูดเป็นแนวความคิดสำหรับหมู่กเพื่อนและ ก, การอยู่ร่วมกันมีความพร้อมเพียงสมัครีกันให้รักกันเอาไว้มองกันในแง่เหตุผล อย่ามองกันในแง่ร้ายนะเพราะพวกเราเข้ามาเพื่อการศึกษาไม่ได้มาเพื่อหวังอย่างอื่นไม่ได้มุกมาเพื่อเสาะแสวงหาความสุขภายนอกมาเพื่อดูใจมาเพื่อการศึกษานะจากนั้นก็พูดถึงเรื่องมาในธรรมบทการแนะนําสั่งสอนลูกนายช่างทองเข้ามาบวดภาษาริบุตรท่านสอนกรรมาฐานให้ผิดคือทั้งที่ท่านจะสอน อีกอย่างแต่ท่านไปสอนเป็นอสุภะก็เลยไม่เข้ากันจนถึงพระพุทธเจ้าท่านได้สอน่านพระองค์นั้นก็ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์อันนี้พวกเราก็เป็นแนวทางอันหนึ่งเหมือนกันถ้าเราภาวนาไปแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงก็ให้เป็นผู้สังเกตพอยุคนี้สมัยนี้ครูบาอาจารย์จะแนะนําทางจิตวิญญาณอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์สาวกในครั้งพุทธกาลนั้นก็คงยาก ก็ให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาเพราะเราเกิดมาสุดท้ายปลายแดนสุดท้ายภายหลังนะเราก็ต้องใช้ปัญญาของเราเท่าที่มันมีอยู่สังเกตดูว่าใจของเราบริกรรมแล้วมันเป็นยังไงจิตใจสงบไหมกรรมฐานอะไรจะถูกกับจริตของเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทัน้งหลายนะต้องวิเคราะห์ตัวเองถ้าพวกเรารู้จักวิการวิเคราะห์อย่างนี้แล้วผมว่า ความสงบในจิตในใจของพวกเราก็จะเกิดขึ้นและก็พร้อมการขอให้พวกเราทุกทุกท่าน้อยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันเป็นสหาธรรมไมกันก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วก็ให้แบ่งปันเวลาแต่ละวันเราควรทำอย่างไรการเคลียร์ตีโมงกันผมไม่อยากจะให้มีอยากจะให้หมู่พวกเพื่อน เป็นผู้มีความรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าเก่าผ้าเก่าควรทำตัวอย่างไรให้เป็นตัวอย่างของพระใหม่แบ่งเวลาย่งไงแล้วทำตนอย่างไรเพื่อให้พระพุทธปฏิบัติจิตใจจะได้ได้รับความสงบและจะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาถ้าศรัทธาญาติโยมมาเห็นพวกเรา มานั่งจับขุ่นคุยกันนอนคุยกันเอกขเหนกเพ้อเพ้อยังสูบบุหรี่มีไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้ในวัดเราเอแต่ผมก็ห้ามแล้วนะคราวญาญาติัวผมก็มบอกว่าขนาดขนาดกันยังไม่ดีแล้วพวกเรามีหรือเปล่าผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกัน่ะแต่ถึงยังไงก็ตามอันนั้นเป็นของตัวของท่านเองการแนะนําสั่งสอนนั้นเป็นเรื่องของผมผมแนะนําผมบอกกล่าว สิ่งไหนไม่ดีผมก็บอกว่าไม่ดีีสิ่งไหนที่ดีผมก็แนะนําอย่างที่ว่านะเพื่ออยากจะให้หมูพวกเพื่อนเดินไปแนวแถวตามแนวทำคําสั่งสอนถูกทั้งคดีโลกและคดีธรรม่นะเอคดีโลกก็ไม่ให้ขวางเขาคาดีธรรมก็ให้ถูกต้องอไปด้วยกันนะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอ ดุติเพียงแถวนี้โดยอำนาจคุณพระีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตนปราถนาทุกประการเป็นไงจีจองจะพูดให้หมู่เพื่อนฟังได้ไหมเอาได้เอา We should have some When it's necessary, we should g e t t i n together and meeting, so we can have a common direction and have common direction, so we can live harmoniously. And then he talked about uh, sometimes we have to be very careful about our how we speak. Sometimes we think that joking probably now won't create some problem, but we have to be careful that uh, everyone has c l e a s e n Sometimes he's uh, in a good mood. Sometimes he's in bad mood. Sometimes h e like uh, everyone is uh, different uh, every day. So if you uh, you speak in in a manner of joking, sometimes you provoke his p u r s a and create a problem in the in the future. So we should be careful about our uh, our speaking. Uh, that's also one one point uh, we have to keep in mind. And then he talked about that uh, we should respect each other. That uh, we should not. Uh, um, for example, when you eat, you don't try to find fault with other people. That is, what kind of what what kind of uh, eating manner he had, and what food he take. We should always look t look uh, look back to ourselves, look at our heart, instead look inside. Not look uh, looking for outside. Not not look for outside because uh, here we we come here to practice. We are going to develop our own mind. We r e try to find f l t with with other people, and then he talk about the good the condition, the of a good people, a good person. Uh, there are several point. I just try to uh, mention several point I can remember. One is that he always uh, believe what should be believed, and he uh, have uh, a sense of shame of wrongdoing. And has a sense of fear of wrongdoing, and uh, he also uh, a person who have a uh, constantly have mindfulness. Very s t a t l e the mindfulness is s t a b y and he also have good discernment. He know in what time he should why w should behave in which way, and also. um, He is a person who is generous to giving help to other people. Also, he when he um, consult the senior monk or senior or consult with other people, he don't have any intention try to oppress other people. He always uh, be consider, be considerate, and uh, not try to, um, for a x a more, try to uh, oppress other people when he. When you consoler people, you always kind of have good intention, a n d meta in mind. All of this is just talking about the outside how we should l i v i how we should live together. So uh, what I have uh, summarize here is uh, the first part. Don't f o r g t about how we should when you live in m a s t e r y how we should getting together harmoniously. And then we should also looking for our inside because outside the time before we. After we come to the sala and go binaba, and we wash our bowl, and also in the evening we do join together. Outside those time, we have a time for ourselves. How should we schedule our time? How should we schedule our time um into um study, into practice? That is inner work. That should we should pay attention to. And the most important thing we should develop our meditation jitta pavana. That's the most important task we should pay attention to. But o n p o also mentioned that he only can give our general direction. That that he always suggests that we should not eat, follow our own desire only. We should not sleep, follow our own desire. We should oh, we should try to make it. Experiment. For example, we eat less, or even we fast, or we try to uh, s i t i n all night, meditation all night without sleep, or we try to um, uh, experiment with different kind of practice. We should not just let the day pass by, pass by, and let everything just the same. We should try to experiment. Try to separate the time interval when you are alone. Try to separate in different way. Try to see the result come out, and try to adjust our practice according to the result. That's uh, we should be responsible for our practice. He only can give a general idea, general direction, but we should be the person who really force ourselves to develop our s t u d i or samadhi because the mindfulness. If we don't force it. You do it. You don't um, pay attention to it. You don't really try to experiment with it. You won't get any result. We should try the form and the aspect around for suggest and try to do it ourselves and try to adjust the adjust our practice according to the result. For example, uh, some people will t uh, uh, complain that he is so restless. His mind cannot calm down. And he don't know what happened to him. But we should ask the person that did he, he eat a lot? Did he sleep a lot? Did he really follow the suggestion Dongpo have just suggested? And experiment himself? Did he do all all this effort try to make his mind calm down? Or he just complain? Oh, my mind r e s it all day, all day, and I I can I don't know what happened. We should be uh, keeping this in mind. Eventually, we a r e the person should be responsible for ourselves, and a teacher only can give the direction. And m o m o z o mentioned that if you had really had some problem, you really need to change your meditation object. That's that c that o u l d be that could be possible because uh, Sari Buddha is a uh, that story. I think I will tell you later because it's kind of long. But here, just say if your meditation doesn't suit your temperament, that's possible. Is uh, waiting to uh, uh, be help you. But we should not change our meditation subject in one day. Change several times. Sometimes you try Puto, sometimes you try Tamo, sometimes you try s a n k o sometimes you try the uh, breath meditation. Change so often and u r u a l l y d o not give up. Your whole heart to one meditation subject, and it's not a a good way of practice. We should try our best until we really convince that this meditation's object does not suit our temperament. Then that's the time for change the uh, meditation object. Uh, that's the gist of today's talk.